ธรรมชาดกแผ่นที่8ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7กรกฎาคม2556มีชื่อเรื่องว่านกยุงทองลืมท่องคาถา วันนี้เป็นวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันรับนาคนาคที่จะเข้ามาบวชหลวงพ่อประกาศรับตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันเสาร์ตั้งแต่วันที่6ผู้ที่จะเข้ามาบวชก็เข้ามาได้เขามาพร้อมกันวันที่6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 ถ้าหากว่าองค์ไหนที่มันขาดเหลือขาดตกจะได้เย็บได้ย้อมได้ทำให้เรียบร้อยเรื่องอัถพลิขานบาทจีวรแล้วก็พร้อมกันหน้าก็ได้ฝึกซ้อมหน้าร้องทำนองเอสาหังถ้า่ากใครได้ทองใดแล้วก็เออมาฝึกทัดทำนองให้มันเข้ากัน การที่เข้ากันที่หลวงพ่อเคยพูดอายุพรรษาใครมีอายุพรรษามากคนนั้นก็บวชก่อนแล้วเป็นอาวุโสเมื่อบวชเสร็จแล้วก็เป็นผู้นำเป็นผู้เดินก่อนนั่งก่อนเป็นอาวุโสเป็นผู้แก่กว่าเพราะนั้นองค์ที่สองรองลงมาอายุรองลงมาตามลำดับคือนับอายุเรียงอายุจากนั้นเวลา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 พะผีเลี้ยงปวดหัวอะไรท่านจะต้องเอามาขานนากให้เข้ากันเพราะนั้นจึงมีจึงไม่ให้มาก่อนหนึ่งอาทิตย์เพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกซ้อมนากและก็เตรียมทพร้อมเรื่องการดูแลบริขารของนาคที่จะบวชถ้าพร้อมแล้วก็เออเอาทุกอย่างแล้วก็บวชที่ว่ารับวันที่หจะบวชวันที่สิบสี่ วันอาทิตย์ที่2 4นะี่นคณะสัตยาติโยมที่เป็นญาติพี่น้องของนาคแจ้งข่าวให้ได้รับทราบร่วมกันเป็นวันอาทิตย์ที่ส4เป็นวันบวชพระใหม่แล้วก็วันที่ยี่สิบสวันที่22เป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันพระแล้วก็วันที่23สบสา เป็นวันอธิษฐานพรรษาแต่โดยมากคณะัตทาญาติโยมจะมาวันพระมากกว่าเพราะวันเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระวันที่ย3เป็นทำพิันกรรมของพระอธิษฐานพรรษาแต่วันที่22คสิบสัทคณญาติายามจะมาทำบุญแล้วก็เป็นวันอุโบสถของพระด้วยวันที่ย2สิพระใหม่ก็จะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับ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 ที่จะบวชเพราะนั้นจึงได้รับอย่างที่หลวงพ่อได้ประกาศให้กับนาคทั้งหลายแล้วก็ให้ญาติพี่น้องทั้งหลายแต่บางทิ้งญาติพี่น้องทั้งหลายก็คงจะไม่เข้าใจเพราะไม่เคยปวดไม่เคยทําพิธีกรรมอย่างนี้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังให้พวกเราลูกหลานเมื่อบวดเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแล้วทีนี้เพราะเราเข้ามาอยู่ในระบบหนึ่ง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 มีหลายอย่างที่ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นในเรื่องนี้ก็คือพรรษาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเราก็คงจะบวชกันวันที่สิบสี่กรกฎาคมนี่แหละนะแต่สำหรับคณะสัาย า, า, าติโยมพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้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 คนที่ไม่ดีคนชั่วคนที่ทําผิดกฎหมายสร้างคุกสร้างตารางให้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าท่านก็ปรับอาบัติกับผู้ที่กระทาผิดก็มีอยู่ในข้างนู้นสมัยนี้ไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ไม่ว่ายุคพระพุทธเจา้าไม่ว่ายุคไหนๆก็มีอยู่แต่ถึงยังไงก็ตาม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 แต่ถ้าเขาจับได้เขาจะเอามามัดเสียรต้นไม้ต้นเสาแล้วก็ปัะจานแล้วก็ก้อนหินท่อนไม้ใครมีอะไรเพืหวี่ยงเขาใส่ฆ่าโดยแบบที่ว่าทนทุกทรมานฮะแต่พระเยซูบอกว่าข้าพระเจ้ามาเห็นด้วยที่จะทำอย่างนี้เอาเขามัดเสียรต้นเสาไว้แล้ว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 ใส่คนอื่นได้เพราะเหตุไรเพราะตัวเองบริสุทธิ์แล้วคนอื่นผิดนใส่เบี่ยงใส่ได้ขว้างใส่ได้แต่ถ้าพราะตัวเองยังเปื้อนเปิดเละเทอะอยู่เป็นคนชั่วอยู่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอยู่แล้วจะไปทำให้คนอื่นเขาเนะี่ยอันนั้นคือความไม่เป็นเป็นธรรมะฮความคิดเห็นพระเยซูนะ่ะหลวงพ่อเออเข้าท่าได้ จากนั้นคนทั้งหลายพอพระเยซูประกาศต่างคนก็ต่างมองตนเองแต่ไม่มีใครขว้างท่อนไม้ก้อนเห็นใส่ผู้หญิงที่เขามัดไว้นะที่ว่าทําความชั่วที่นอกใจสามีไม่มีใครขวา้างเพราะต่างคนก็ต่างมองตัวเองทั้งฝ่ายชายก็อืออเราก็นอกตู่นอกทางเหมือนกันบางครั้งแต่ฝ่ายผู้หญิงก็จะไม่ไม่ใช่ว่าจะคิดดีอย่างเดียว คิดออกนอกหลูนอกทางก็มีถึงจะไม่ได้ทําก็คิดเอจิตใจของเรามันยังคิดออกไปอยู่เพราะฉะนั้ น, ะนใจของเรามันมันใครล่ะจะเป็นบริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไม่มีใครที่จะทําได้ไม่มีใครที่จะเหวี่ยงค้อนก้อนหินใส่ผู้หญิงที่เขามัดอยู่ได้ประกาศไม่มีใครทำํำเพราะว่าตัวเองตัวเองเกามองตนเองใช่ไหมต่างคนก็ต่างมองตนเอง ค่าไม่ริสุทธิ์ที่จะเอะถึงขนาดนั้นผลที่สุดเขาเอาปล่อยถ้าไม่มีใครทําำพอปล่อยเท่านั้นแหละผู้หญิงคนนั้นโอ้โหหายเข้ากีบเมฆเลยเตลิเปิดเปิงตะลังเปิลเปิลไปที่ไหนก็ไม่รู้อพอหลอดตายหนีไปอย่างฉุดริ่มเข้าขอบฟ้าจากกวาลไปเลย่หายเงียบไปนี่แหละอันนี้ก็คือสนนหนึ่งที่หลวงพ่อได้ฟัง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 แสดงทำแนะนำสั่งสอนเป็นที่เป็นมีผู้มีชื่อเสียงโรงดังผลในสูดท่านก็ด้ลาศิขาไปสรุปแล้วก็คือแพ้ภัยของกิเลสบางคนก็บอกว่านาลีพิฆาตตามไม่จริงหลวงพ่อพิฆาตโดยกั น, นั่นแหละแตมีตานาลีพิฆาตอย่างเดียวพระไม่พิฆาตนาลีคงจะไม่คงจะไม่ใช่คงไม่เป็นอย่างนั้น มันคงจะตกมือทั้งสองข้างนะมันยังดังเป๊ะถ้าตกมือข้างเดียวมันคงจะตกลมตบแรงไปฮะอันนี้ถ้าตกทั้งสองข้างมันก็ตรงดังเป๊ะฮะอมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาอแต่ผิดไหมมันก็ผิดเป็นที่สลดหดหู่ของชาวพูดของเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เรามาคิดมาพิจารณาดูแล้วเขาก็มาถามหลวงพ่อเหมือนกันตรงพ่อเห็นด้วยไหม หลวงพ่อเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงหลวงพ่อือท่านคงไม่ละลึกถึงความตายถ้าท่านละลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คงจะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็คงท่านคงจะลืมลืมละลึกถึงความตายเหมือนกับนกยุงรักษาผมมะจันถึงเจ็ดร้อยปีอยู่ตามลาพังคนเดียวอยู่ตัวเดียวอยู่นบนยอดเขา ตอนเช้ามากะท่องคาถาอุเทตยันจุกุมาเอกราชาฮริสวรรณโอปทวิปพาโซขอเทพเจ้าเราเทวาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองข้าพเจ้าตลอดทั้งวันด้วยเทอนข้าพเจ้าจะทานอาหารหจะลงเลี้ยงชีวิตในวันนี้ขึ้นบนยอดเขาเราเห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมากะอุเทตยันจุกุมาพอกินอาหารตอนเย็นจบ เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมปบนยอดเขาอีกพระอาทิตย์จะจับรับเปลี่ยมภูเขาลงพระอาทิตย์ตกนกจูงทองตอนนั้นก็อปเปตยันจักกุมาเอการาชาหฤทวรนโนปทาวีปาพาโซข้าพรเจ้าหากิน อ, อาหารตลอดทั้งวันแล้วข้าพรเจ้าจากนี้ไปพระอาทิตย์รับเขาลงไปแล้วจะมืดแล้ว ขอเทพเจ้าเราเทวาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถินข้าพเจ้าจะพักผ่อนนอนในเขาในละแวกนี้คือนกยุงทองทีนี้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นทั้งพระอาทิตย์ตกและลึกถึงคุณงามความดีและลึกสิ่งศัก์สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่มาวันหนึ่งพวกที่เขาจะจับนกยุงทอง เขามาจับถึงเจ็ดกระสัตรตายไปแล้วเจ็ดคนจังจับไม่ได้แต่ในในพรานคนหนึ่งเขาหัวดีแท้ี่เอ้นกยุงทองมาอยู่ตามลำพังมันจะไม่มีกิเลสมันคงไม่มีมั้งนกยุงทองเขาก็เลยไปเลี้ยง เ, เป็นเลี้ยงนกยุงตัวเมียขึ้นมานหานกยุงที่ตัวสวย ท่าทางลักษณะดีลักษณะยกระดับเป็นนกต่อแนตะ่ธรรมดานกต่อมันก็ต้องมีลักษณะท่าทางเสียงเพลาะอีกต่างหากแค่ดังนั้นเขาควรเลี้ยงอย่างดีพอตอนเช้ามาก็นกยุงตัวนี้มันก็ร้องใช่ไหมนกยุงทองมันก็ร้องอยู่บนยอดเขาอุเทตยันจักกุมาเอกราซามก็เอ ah ่แต่มันก็ร้องอ้อ oh แต่แต่ว่าความหมายของมันเน่ย อมันก็คงล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ล, ลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ อ, อพอนกยุงตัวเมียได้ยินมันก็ร้องขึ้นมาร้องรับนเห่างนั้นแออมันก็คงจะร้องเพลงยอดที่รักจ๋าอยู่ที่ไหนก็จะคงจะว่ายอย่างงั้นที่นกนกยุงตัวเมียเนี่ยใช่แต่ตัวนั้นจะกล่าวคาถาใช่ไหมแต่นกนกยูงเนี่ยกล่าวาถึงความรักล้ำพันถึงความรักเ อ, อในคู่หัวผัวเมียใช่ไหมล่ะ พอในะนกยูงทองตัวผู้ที่บนจุนบนยอดเขานะ่นะนะลืมแค่ว่าสาทยายพระคาถาไม่จบเหมือนกันเอเอคงจะอุดเท้สิเดียวที่คงจะได้คำเดียวใช่ไหมนะถลายลงมาจากภูเขาเลยเอพอได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียมันร้องอที่นายผ่านเข้ามาดักไปเขามีตะข่ายลอ้ลอมรอบหมดแล้วแปิ้งลงมามันคงจะ มันคงจะปิ๊งในใจนกยูงเหมือนกันนว่างั้นแต่ถลาเลยเออเพราะกิเลสเนี่ยกิเลสการมลลาคะเนี่ยมันก็ถลําลงมาเออโดยที่ไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นั่นเห็นแต่โตเมียเนี่ยโดเข้ามาก็ติดบ่วกในผ่านฮะนี่นแหละการุปแล้วก็คือนกยูงตัวนั้นลื ม, ล, มลืมกล่าวสาธยายพระคาถาไล่พระคาถาอย่างไม่จบเว่างั้นแต่เฮ้อ พอนกยุงตัวเมียมันร้องขึ้นมาอยู่ข้างล่างเออก็เลยบินถลาาลงมากระติดบ่วงในผานนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อจะไปพูดให้จบนะพูดเพียงแค่นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเออถ้าว่านกยุงทองตัว น, นั้นนึกถึงมรณะนุสติและนึกถึงอสุภะปฏิโกรลร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดแก่เจ็บตาย จะหาความสวยงามที่ไหนร่างกายจะไม่เป็นอสุภปฏิกูลธนกยุงทองอตัวผู้ตัวนั้นะอล้ำลึกอยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่คงจะไม่ติดบ่วงในผ่าน อ, าอันนี้ก็คงลืมไปนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองอาการที่จะแสดงธรรมทำไม ท, ท่านทำพูดแสดงธรรมได้ไพเราะเพาะพิงเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลาย อันนี้มันก็เป็นวาทะเป็นวาจาผูดได้เหมือนกับท้องบุ้งหรือกระดาษทรายนะใครเคยเห็นเหล็กท้องบุ้งไหมเวลามันไม้กรูกลามันต้องใช้ท้องบุ้งก่อนขัดนะตอ่อจากนั้นเรเอากระดาษทรายขัดอีกแต่ตัวกระดาษทรายมันขรูกลานะท้องบุงมันกรูกรูกลามอนกันมันไม่ละเอียดแต่พอขัดไม้ไม้ละเอียดเพราะเหตุไรเพราะกระดาษทรายมันขัดน ก็คงลักษณะอย่างนั้นนะถ้าว่าพระที่ไม่ได้ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติไม่ได้ดูใจของตนเองเหมือนกับพระกระดาษใสหรือว่าพระท้องบุ่งไม่ว่าจะพระสัตไทยา ญ, ญาติโยงกูเหมือนกันครูโรงเรียนกูเหมือนกันอาจารย์อันไหนข้อตันตำรวจทหารพิพากษาอายาการกูเหมือนกันเราก็เคยได้ยินพอครูสอนศริธรรมในโรงเรียนนักเรียนทั้งหลาย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 ทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะนั้นนักเรียนทั้งหลายอย่าไปดื่มสุรานะของสุรายาฝิ่นเฮโรอีนของไม่ดียาเสพติดทั้งหลายเป็นของไม่ดีทั้งนั้นเพราะนั้นกูุกนักเรียนทั้งหลายอย่าทำฮะนี่ครูครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนพอเสร็จแล้วก็กินเลี้ยงกันพอจบแล้วพอมากินเลี้ยงกันทีนี้เขาก็เอา ทั้งกรมทั้งแบนมาตั้งบนโต๊ะใช่ไหมครูโรงเรียนสอนศีลธรรมก่อนนั่นนะทั้งกินทั้งดื่มฮะนักเรียนเขาก็ถามอา้าวอาจารย์เพิ่งสอนศีลธรรมมายกหยกทำไหมคุณครูมากินเหล้าหรอครูตอบว่ายังไงครูบอกเอยถ้าหากว่าข้าไม่ดื่มไม่กินซะก่อนจะไปสอนชูเจ้าได้ยังไงต้องเรียนรู้ซะก่อนต้องปฏิบัติตัวก่อนน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 อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหา <f ior ga> อยู่ในหลักพระธรรมวินัย <f ior ga> เป็นคนพระที่ดีตลงพ่อก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ดู <f ior ga> พ่อแม่อยากจะให้ลูกหลานดี <f ior ga> ที่เป็นปู่ <f ior ga> เป็นย่าเป็นพ่อ <f ior ga> พ่ อ, เ ป, พอเป็นแม่อยากจะให้ลูกหลานตัวเองเป็นคนดีก็ต้องทำดีให้ลูกหลานของตนเองดูฮะนี่แหละอันนี้กา <ita> มันต้องมองตัวเองทั้งหมดให้มองเจ้าของให้ดูเจ้าของให้ดูตนเอง ท่านดูตนเองอย่างนี้แล้วนั่นละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรมรมเพราะนั้นขอให้พวกเราพนักชาตญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอย่าไปเพยงมองออกไปข้างนอกจนเกินไปเห็นเขาว่าก็ว่าไปตามเขาโกรธโมโหโกธาโลกคันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนในครั้งพระพุทธเจ้ายิ่งกว่านี้ไปอีกขนาดพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู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 ขาราชการดีขาราชการชั่วนักการเมืองดีนักการเมืองชั่วมันมีได้ทุกแห่งหนน่ะเพราะนั้นโลกมันเป็นโลกโลกหาได้จะหาดีหรือหาชั่วเราจะหาดีก็หาได้จะหาชั่วก็หาได้จะหาหนโลศวรรค์ใส่ตนเองก็ได้หาความชั่วช้าเสียหายลามกจกเป็ดใส่ตนเองก็ได้จะหาคุณงามความดีใส่ตนเองก็ได้ โลกในโลกหาได้คุณแม่ชีแก้ววลีของคุณแม่ชีแก้วที่ท่านบอกไว้เป็นวลีที่วัดทันสมัยพูดคือมาเมื่อไหร่เออใช่ถูกต้องอโลกในโลกหาได้จริงๆถ้าว่าใครอยากจะหาอะไรมาใส่ตัวเองก็หาได้เพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาธรรมปฏิบัติได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอน ควรจะหาแต่สิ่งที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีเข้ามาใส่จิตใส่ใจของพวกเราสิ่งที่มันชั่วซาเสียหายอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดแล้วก็พร้อมกันในพรรษาที่จะถึงเนี่ยไม่ใช่จะให้แต่พระใหม่บวชนะพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะบวชใจอีกเหมือนกันคณะศรัทธาญาติโยมในพรรษานี้ข้าพระเจ้าจะทําอะไรสมเดือนที่จะถึงเนี่ยวันนี้อีกสิบห้าวันข้างหน้า น่าจะวางแผนตัวเองได้แล้ววางแปลนวางแผนชีวิตของเราเราลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่เกิดพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดมาถึงบัดนี้เราเรามีคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจแลวอย่างศีลธรรมอยู่ในจิตใจของเราเป็นที่พอใจแลวอย่างเป็นที่สบายใจแลวอย่างพอและอย่างบุญกุศลที่ ที่เราได้สั่งสมมานี้ถ้ายังไม่พ อ, อควรจะตั้งตนใหม่ควรจะวางแผนชีวิตของเราเราก็ส่แสวงหาทรัพย์มามากแล้วหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่พูดง่ายๆหาปัจจัยสี่ก็คือหาเงินส ะ, สะแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเครื่องเลี้ยงชีวิต อ, อาหารการบริโภค หาเงินมาก็ซื้ออาหารการบริโภคทำไรทำนากับเพื่ออาหารการบริโภคแล้วก็ผ้านุ่งห่มได้เงินมาก็ซื้อเครื่องนุ่งห่มถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแรลรักษาซื้อยามาบริโภคยาแก้ปวดแก้ไข้แก้ท้องอะไรทุกอย่างแลว้วก็ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนเราได้ปลูกขึ้นมา ก็ เ, เป็นที่อยู่อาศัยอันนี้คือปัจจัยสี่ที่เราหาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนทำการทำงานทั้งวีทั้งวันเพื่อได้เงินเดือนมากันเนี่ยมาเพื่อดูแลปัจจัยสี่ให้ตัวเองหรือครอบครัวของตัวเองหรือวงศารนายาทยาดของตัวเองน่แหละปัจจัยสี่เมื่อเราสแสวงหามากขนาดไหนเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงถืเลี้ยงร่างกายนี่ย เลี้ยงไปเท่าไรก็อีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าก็จะเห็นผมขาวออกมาแหละเห็นผมหงอกฟันหลุดตาฝ้าฟางหูตึงหนังเหี่ยวพลที่สุดก็นะ่ยถ้าไม่ตายง่ายอายุแป9 0ปีเก็นอนกับที่มีแต่ตาเลื่อมแมบแมบท่าั้นถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายมันมีจุดจบอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือวิถีวิถีชีวิตวิถี ทางเดินของร่างกายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายมันไปลักษณะอย่างนี้เออให้ลองมองเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะเรามองเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่นี่พระพุทธเจ้าท่านว่ามันมีเออควรจะศึกษาเรื่องของใจนี่แหละเรื่องของใจนามธรรมคือตัวผู้รู้คือตัวนึกคิด ตัว ร, รู้อย่างเนี่ยอันนี้แหคือนามธรรมแต่ร่างกายเนี่ยคือรูปธรรมแต่จิตใจเนี่ยนามธรรมต้องดูให้ดีนามธรรมเนี่ยส่งเสริมเออเพราะเออหาหลักเหตุผลเข้ามาเออแก้ไขปรับปรุงใจของตนเองให้เป็นคนฉลาดก็ได้ให้เป็นคนโง่งก็ได้เออให้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้หาได้ทั้งหมดอย่างที่คุณแม่ชีแก้วพูด เพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามาโนปุพังกขมาธรรมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจคือร่างกายเนี่ยมันไม่สําเร็จมันอย่างที่ว่านนะจากนั้นม า, อาพอตายไปแล้วไม่เผาก็ฝังฮนะก็ะเท่านั้นแ่ะแต่จิตใจเนี่ยมันไม่ตายนะพระพุทธเจ้าท่านศึกษาค้นคว้าไม่ตายนะจิตใจนะ่ะ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 ลงพ่อกขาบอกชัดขนาดที่ว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถเหมือนกับโซเฟอร์อย่างนั้นแหละเข้ามาอยู่ในร่างกายโซเฟอร์ถ้าจะเปรียบเทียบคือเหมือนนามธรรมาแต่ว่านามธรรมมันจะมันมองไม่เห็นแต่พวกเราเห็นเห็นเห็ น, หนรถน่ะเห็นแต่โซเฟอร์นะเห็นอแต่ว่าถ้าหากว่า เ, เรามีสมาธิแล้วน่ะจิตใจของเราสงบนิ่งลงไปแต่จะนิ่งจริงๆริง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 แต่รถนี่เท่านั้นแหละอย่างรถของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระวรกายของพระพุทธองค์ผลลัพธสุดก็จุดตินิรพานได้ถวายพระเพลิงที่เมืองกุชินาราแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือพระไทยของพระองค์นั่นแหะเข้าสู่นิพพานนี่แหละนี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมในพรรษานี้เราควรจะมาฝึกเรื่องนามธรรมฝึกโซเฟอร์ให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักคิดพูดง่ายๆอย่าไปซื่อบือ้อไปเมาแต่รถอยู่กับรถตัวเองอยู่ตลอดเวลามีทหารทามันมาให้รถอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาอะไรมาให้รถยางรถแตกก็หาอะไรมาใสา่รถมีแต่มั่วอยู่กับรถ